ข้าแต่กล่าวว่าเรื่องราวของพวกเธอเป็นเช่นไร เมื่อพวกเธอยั่วยวนอยู่ซุกพวกนางกล่าวว่าขอลอดทรงคุ้มครองเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเคยทำชั่วภรรยาของผู้ว่ากล่าวว่าบัดนี้ความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วฉันได้ยั่วยวนเขาและแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัตว์จริง ออย่่างแนนนทั้งนี้เพื่อเขารู้ว่าแท้จริงฉันไม่ได้ทรยศต่อเขาโดยลับหลงังและแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ส่งชี้แนะแนวทางการวางแผนของพวกทรยศ และฉันไม่อาจชาระจิตใจของฉันให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แท้จริงจิตใจนั้นถูกครอบงําไว้ด้วยความชั่วนอกจากที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงเมตตาแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันเป็นผู้ทรงอภยัย ผู้สรงเมตาสมแล้วกรสัตรตรัสว่าจงนำเขามาหาฉันซี่ฉันจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้กล้าชิตของฉันเมื่อยุซุบได้สนทนากับพระงแล้วประงตรัดว่า แท้จริงท่านอยู่ต่อหน้าเราในวันนี้เป็นผู้มีตำแหน่งสูงเป็นที่ไว้วางใจเขากล่าวว่าได้โปรดแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้ควบคุมการคลังของประเทศแท้จริงฉันเป็นผู้จดจำผู้รู้ดีในด้านนี้ َكَذَالِكَ مَكَّنَّنَّا لِيُّوسُفَ فِي الْأَرْضِ بِرَحْمَتِنَا يَتَبَوَّأُ حَيْتُ และเช่นนั้นแหละเราได้ให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดินเขาจะพำนักอยู่ที่ใดก็ได้ตามต้องการเราจะให้ความเมตตาของเราแก่ผู้ที่เราประสงค์ และเราไม่ได้ทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหายและแน่นอนรางวัลในประโลกนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยที่พวกเขายังเล่างวพระยิรูิรกกร และพี่น้องของยุซุปได้มาแล้วเข้าไปหาเขายุซุปจาพวกเขาได้แต่พวกเขาจายุซุปไม่ได้วเาลคบคาเและขเมื่อเขายุซุปได้จัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งสเสบียงอาหารของพวกเขาแล้ว เขากล่าวว่าจงนําน้องชายของพวกท่านจากพ่อของพวกท่านมาหาฉันด้วยพวกท่านไม่เห็นหรือว่าแท้จริงฉันได้ตวงให้อย่างครบคันและฉันนั้นดียิ่งในหมู่ผู้ต้อนรับและหากพวกท่านไม่นําเข้ามาหาฉันจะไม่มีการตวงจากฉันให้พวกท่านอีกและพวกท่านอย่าเข้ามากล้ฉันอีก วพวกเขากล่าวว่าเราจะเกลี้ย ก, กล่อมบิดาของเขาให้เขาออกมาและแท้จริงเราจะทำได้อย่างแน่นอน เล عل ล์ฮัมย์แกรฟฮุนฮ่าไอดันควาล์บูไอละเฮลิฮัลัเขายูซุฟกล่าวแก่คนชายของเขาว่าจงใส่เงินทองของพวกเขาไว้ในย่ามของพวกเขาหวังว่าพวกเขาคงจํามันได้เมื่อพวกเขากลับไปหาครอบครัวของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลับใหม่ เมื่อพวกเขากลับไปหาพ่อของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้โพ่อของเราการตวงถูกห้ามแกเรา จงส่งน้องเราไปกับเราเพื่อเราจะได้ส่วนตัวและแท้จริงเราเป็นผู้คุ้มกันเขาเขาพ่อกล่าวว่าฉันจะไม่ไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อเขาอีก อย่างกับที่ฉันได้เคยไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อพี่น้องของเขาเมื่อก่อนนี้ดังนั้นอลัลลอฮ์ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ดียิ่งและพระองค์เท่านั้นทรงเมตตายิ่งในผู้หมูม่เมตตาทั้งหลายาอบาามาบมร และเมื่อพวกเขาเปิดย่ามสเบียงของพวกเขาออกก็เห็นเงินของพวกเขาถูกคืนกลับมายัางพวกเขาด้วยพวกเขาจึงกล่าวว่าโอ้พ่อของเรา เราต้องการอะไรอีกเล่านี่ไงเงินของเราถูกกลับคืนมายัางเราแล้วเรายังได้นําเสบียงมายัางครอบครัวของเราอีกและเราจะดูแลน้องของเราและเราจะได้เพิ่มการตวงอีกหนึ่งตัวลานั่นเป็นการตวงที่ง่ายเหลือลอเกิมมนลล ت ت ال เลตเฒนนนิบิอิลลาเอยูพาตบิคุมฟัลล์มมาเฒวมอุทควมกาลัลลาห์อัลามะนุคูลอคีลข้าพ่อกล่าวว่าฉันจะไม่ส่งเขาไปกับพวกเจ้าจนกว่าพวกเจ้าจะนำสัญญาจากอัลลอฮ์ให้ฉันเสียก่อนว่าพวกเจ้าจะนำเขากลับมาอย่างแน่นอน เว้นแต่พวกเจ้าจะถูกปิดลอ้อมเมื่อพวกเขาได้สัญญาของพวกเขาแก่พ่อแล้วพ่อกล่าวว่าอัลลอ์ทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราได้สัญญาต่อกันไว้ว และเขากล่าวว่าโอ้ลูกเอ๋ยพวกเจ้าอย่าเข้าเมืองทางประตูเดียวกันแต่พวกเจ้าจงเข้าเมืองต่างประตูกันและฉันไม่อาจให้ความคุ้มกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์ได้การตัดสินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์ และขอบรรดาผู้มอบการไว้วางใจจงมอบหมายต่อพระองค์เถิด และเมื่อได้เข้ามาตามที่พ่อของพวกเขาได้สั่งไว้ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ความต้องการในจิตใจของยะกูบซึ่งเขาได้ปฏิบัติไปและแท้จริงเขาเป็นผู้มีความรู้เพราะสิ่งที่เราได้สอนเขาแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ววลล ม, มาาคอายอยฟ ت ت และเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหายูซุฟเขายูซุฟได้รับน้องชายของเขาไปอยู่กับเขาเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นพี่ชายของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าได้เสียใจในสิ่งที่พวกเขากระทํา ف ล้วเมื่อ เมื่อเขาได้จัดเตรียมเบียงอาหารของพวกเขาให้แก่พวกเขาแล้วเขาได้ใส่เครื่องตวงลงในย่ามของน้องชายของเขาแล้วผู้ประกาศได้ประกาศว่าโอคณะเดินทางทั้งหลายเอ๋ย แท้จริงพวกเจ้าเป็นพวกขโมยพวกเขากล่าวพลางหันไปทางผู้ประกาศว่ามีอะไรหายไปจากพวกท่านหรือลู้ประกาศ พวกเขากล่าวว่าเครื่องตวงของกษัตริย์หายไปจากเราและผู้ใดนํามันมาคืนเขาจะรับสเสบียงเป็นรางวัลหนึ่งตัวลาและฉันเป็นผู้รับรลพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อโดยแน่นอนพวกท่านทราบดีว่าพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําความเสียหายในแผ่นดิน พ ว, พวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นโทษของมันจะเป็นเช่นใดหากพวกเจ้าเป็นผู้กล่าวผิดพวกเขากล่าวว่า โทษของมันคือผู้ใดถูกคนพบในยามของเขาดังนั้นเขาก็ต้องได้รับโทษเช่นนั้นแหละเราจะลงโทษบรรดาผู้อาเธอ ด, ดังนั้นเขาได้เริ่มค้นในย่ามของพวกเขาก่อนย่ามน้องชายของเขาแล้วเขาก็ได้นำมันออกมาจากย่ามของน้องชายของเขา เช่นนั้นแหละเราได้ใช้ยูซุฟใช้กนอุบายเขาจเจ้าน้องชายของเขาไว้ไม่ได้ในศาสนาของขสัตรนอกจากว่าอัลลอฮจะส่งประสงค์เราจะยกฐานะหลายขั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์และเหนือทุกๆผู้ที่มีความอดทนคือผู้รับรู้ รร ر ر พวกเขากล่าวว่าหากเขาขโ ม, มยแน่นอนที่ชายของเขาก็ได้ขโ ม, มยมาก่อนแต่ยูซุปได้ซ่อนความรู้สึกไว้ในใจของเขาและไม่ได้เปิดเผยมันแก่พวกเขาเขากล่าวว่า พวกเจ้ามีสถานะที่เลวมากแต่แลออรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมาพวกเขากล่าวว่าโอท่านผู้ว่า เขามีพ่อที่แก่ชรามากแล้วเขาได้โปรดเอาพวกเราไว้คนหนึ่งแทนเขาเถอะแท้จริงเราเห็นท่านนั้นอยู่ในหมู่ผู้ทำความดีเขากล่าวาว่าเราเขอความคุ้มครองด้วยอัลลอ์ที่เราจะาคนอื่น นอกจากผู้ที่เราพบทรัพย์สินของเราอยู่ที่เขาถ้าเราทําอย่างนั้นแท้จริงเราก็เป็นผู้อธรรมอย่างแน่นอน َدْ أَخَدَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقَمْ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّدْتُمْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ خَيْرُ فِي يُوْسُفْ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ حَتَّى يَأْذَنَ เมื่อพวกเขาหมดอะไรจากน้องชายของเขาพวกเขาก็หันหน้าเข้าปรึกษากันตามลำพังพี่คนโตของพวกเขากล่าวว่า พวกเจ้าไม่รู้ดอหรือว่าพ่อของพวกเจ้าได้เอาสัญญาอย่างมั่นคงจากอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและก่อนนี้พวกเจ้าก็ได้เคยผิดพลาดในเรื่องของยูซุฟมาแล้วฉันจะไม่ออกจากดินแดนนี้จนกว่าพ่อของฉันจะอนุญาตแก่ฉันหรือว่าอาลัลลอฮ์จะทรงตัดสินแก่ฉันโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดีทีุมกลอออบบ่สุด หาพวกเจ้าจงกลับไปยังพ่อของพวกเจ้าแล้วกล่าวว่าโอ้พ่อของเราแท้จริงลูกของท่านขโมย และเราไม่เป็นพยานเว้นแต่สิ่งที่เรารู้และเราไม่ใช่ผู้เก็บความลับและจงถามชาวเมืองที่เราพำนักอยู่ในนั้นและกองคาราวานที่เราเดินทางร่วมมาด้วย และแท้จริงเรานั้นเป็นผู้สัต์จริงอย่างแน่ น, นอนเขากล่าวว่าแต่ว่าจิตใจของพวกเจ้าดแต่งเรื่องขึ้นเพื่อพวกเจ้ามาแล้วดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดียิ่ง หวังว่าเอาลอดจะทรงนำพวกเขาทั้งหมดมาหาฉันถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายาและเขายักคูบได้ผินหลังให้พวกเขาแล้วกล่าวว่าโอ้อานิจายูซุฟเ อ, อ๋ย และตาทั้งสองข้างของเขาหมวัวเนื่องจากความเศร้าโศกโดยที่เขาเป็นผู้อดกลัน้นพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอท่านยังคงรำลึกถึงยูซุฟอยู่จนกระทั่งท่านเจ็บจวนจะตายหรือท่านพินาศไป เขากล่าวว่าแท้จริงฉันขอร้องเรียนความเศร้าสลดของฉันและความทุกข์กระถมของฉันต่อหะและฉันรู้เรื่องความเมตตาเจ้าหรซึ่งพวกเจ้าไม่รู้ س س โอ้ลูกรลักพวกเจ้าจงไปเสบข่าวของยูซุปและน้องของเขาและพวกเจ้าอย่าหมดหวังต่อความเมตตาของเรา แท้จริงไม่มีผู้ใดหมดหวังต่อความเมตตาของเรานอกจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นแล้วมื่อเขลูอาลนนั้นพวกเาก็พูยว่าโอ้ท่านผู้ทรงศักดิ์สิทธาวด้มาถละผู้คนก็รอคอยเราได้มาถึละนา็อัอยและเราได้รับิ่งที่ดามขอให้เาได้รัาอละขอาด้กนับนุนนนวะจาทรงอวยพรีนน ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้มาหาเขาอยู่สุขพวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านข้าหลวงความทุกข์ได้ประสบกับเราและครอบครัวของเราและเราได้นําสินค้าราคาต่ามาดังนั้นขอท่านได้โปรดตรวงให้เราอย่างครบถ้วนและโปรดบริจาคให้เราด้วยแท้จริงอลอสจะทรงตอบแทนผู้บริจาคฐานทั้งหลาย เขากล่าวว่าพวกเจ้าทราบไหมว่าสิ่งที่พวกท่านได้ทำกับยูซุฟและน้องชายของเขาเมื่อพวกท่านเป็นผู้งม ง, งายข้าอินะลอันยูซุฟข้าว่าลอยูซุและฮาอ نا, พวกเขากล่าวว่าแน่นอนท่านคือยูซุฟใช่ไหมเขากล่าวว่าฉัานคือยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉันและแน่นอนอลัลลอฮ์ทรงโปรดปรานเราแท้จริงผู้ใดที่ยำเกรงและอดทน แน่นอนอัลลอด์จะมีส่งให้รางวัลของบรรดาผู้ทำความดีต้องสูญหายไปเป็นอันขาดพูกเขากล่าวว่าความจริงอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติท่านเหนือพวกเราโดยที่พวกเราเป็นผู้ทำความผิดอย่างแน่นอน ت ت เขากล่าวว่าวันนี้ไม่มีการประนามพวกท่านอัลล์ะจะส่งอภัยโทษให้พวกท่านโดยที่พระองค์ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาทัา้งหลายั พวกท่านจงนำเสื้อของฉันนี้ไปวางไว้ที่ข้างหน้าพ่อของฉันเขาจะกลับเป็นผู้มองเห็นและจงนำครอบครัวของเจ้าทั้งหมดมาอย่างฉัน เมื่อกองคาราวานได้ออกมาจากอีบพ่อของพวกเขากล่าวว่าแท้จริงฉันได้กลิ่นของยูซุฟหากพวกเจ้าไม่กล่าวหาว่าฉันเหลวไห ล, ล, ล, ล, ลพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอกแท้จริงท่านนั้นยังอยู่ในการหลงของท่านเช่นเดิ ม, ม เ ม, ม, มือ่อผู้นำข่าวดีมาถึงเขาได้วางเสื้ออยุซุไว้ข้างหน้าเขาดังนั้นเขาจึงกลับเป็นผู้มองเห็นเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าหรือว่าแท้จริงฉันรู้จักอลัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ أ ا نا نا พกากลยาววาโอ้พ่อของเราโปรดขอพยาโควิขอรา่าินพวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราโปรดขอพยาโทษความผิดของเราให้แก่เราด้วยแท้จริงเราเป็นผู้ผิดกาลสาวอ้พ่ลของเราโปรอคมผิดขอาหวรร เขากล่าวว่าฉันจะขอไพร่โทษจากพระผู้อภิบาลของฉันให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ดังนั้นเมื่อเขาได้เข้าไปหายูซุเขาได้สวมกอดพ่อแม่ของเขาแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงเข้ามาในหิดโดยปลอดภัยเถิดอินชาอัลลอฮฺ و َ ق د أ ح ْ س َ ن َ بِي إ ذ ْ أ َ خ ْ ر ج َ ن ِ ي م ِ ن ا ل س ّ ج ن ِ و َ ج ا ء بِكُمْ مِنَ ا ل ب َ د و ِ مِنْ ب َ ع د ِ أ ن ْ ن َ ز ََ ا ل ش َّ ي ط ا ن مِنْ ب ع د ِ أ َ ن ن ز ََ ا ل ش َّ ي ط َ ا ن ُ بَيْنِي و َ ب َ ي ْ ن إ ِ خ ْ و ت ي إ ِ ن ّ ر َ ب ّ ي ل َ ط ي ف لِمَا يَشَاءُ إ ِ ن ه ُ ه ُ و ا ل ع ل ي م ُ ا ل ح َ ك ي م และเขาได้ยกพ่อแม่เขาขึ้นบนบัลลังก์และพวกเขาก็ก้มลงคาระวะเขาและกล่าวว่าโอ้พ่อของฉันนี่คือการทำนายฝันของฉันแต่ครั้งก่อนพระผู้อภิบาลของฉันทรงทำให้เป็นจริงและพระองค์ทรงให้เกียรติฉันโดยพระองค์ทรงให้ฉันออกจากคุกและนําพวกท่านมาจากชนบทหลังจากที่ชายตอนได้ยุยงให้เกิดการแตกแยกระหว่างฉันกับพี่น้องของฉัน ถ้าจริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงโปรดปรานแก่ผู้ที่พรงค์ทรงประสูติแท้จริงพระองเท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรูผู้ทรงปริชญาร็บบีกดอะไตตนีมินัลมลกวัลลัมตนีมินตะอวีลิลอาาดิ ا آ ت ت โอ้พระผู้บานาของฉันแทจริงพระองค์ได้ประทานอำนาจบางส่วนแก่ฉันและทรงสอนฉันให้รู้การทำนายฝันพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน พระองค์เป็นผู้คุ้มครองฉันทั้งในโลกนี้และประโลกขอพระองค์ส่งให้ฉันตายในสภาพของผู้นอบน้อมและส่งให้ฉันไปรวมอยู่ในหมู่ผู้คนดีทั้งหลายนั่นคือส่วนหนึ่งจากข่าวเร้นลับที่เราได้อคกการมันมา ให้แก่เจ้าและเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกเขาขณะที่พวกเขาตกลงกันในเรื่องของพวกเขาและพวกเขาวางแผนและผูกคนส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาต่อเจ้าถึงแม้เจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็ตามและูส่วนใหญ่จะไม่ศัทธาต่อเจ้าถึงแม้เจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็ตาม และเจ้าไม่ได้ขอรางวัลของพวกเขาในเรื่องนี้มันอัลกุรอานไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนให้ดำลึกแก่สาตวุลโลูและกี่มากน้อยแล้วจากสัญญาณในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นบินที่พวกเขาผ่านมันไปโดยที่พวกเขาผิดหลังให้มัน َمَا أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّاهِ إِلَّا وَهُمْ ละสนใ่ของพวกเขาจะไม่สรทาต่อหรอกเว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ตั้งพารีอัอาเมิุนจะเอติย هم غاشيئم من عذاب الله أ า ت أ ت, أ ا ت, ة ت, أ ا ت ة ي ه م الساعة بقتة أوتأتيهم الساعة بقتة ว و وهم لا يشعرون พวกเขาจะปลอดภัยหรือเมื่อการครอบคลุมแห่งการลงโทษของอัลลอ์จะมาอย่างพวกเขาหรือเมื่อวันอวสานจะมาอย่างพวกเขาอย่างฉับพลันโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้ตัวจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด วันนี้คือแนวทางของฉันฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ด้วยหลักฐานอันชัดเจนทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉันและว ล, ล้อผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งพากี และเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนเจ้านอกจากบรรพบุรุษจากชาวเมืองที่เราได้ประธานองค์การแก่พวกเขาพวกเขาไม่ได้เดินทางไปในแผ่นดินดอกหรือ เพื่อพวกเขาจะได้เห็นบ้านปลายของผู้ที่มาก่อนพวกเขาว่าเป็นอย่างไรและแน่นอนประโลมกนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผูย้ยัาเครงพวกเจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดบดอก <S <S จ้าอัลฮุมนะซรุแลคุณจีมะนชาอุและยูรดูเบสุนัยอัลกุมอลมุจเรมินจวงกระทั่งเมื่อบันดาลศาสนาทูตหมดหวังและคิดว่าพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและการช่วยเหลือของเราได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นผู้ที่เราประสงค์ก็ถูกช่วยเหลือให้รอดพ้น และการลงโทษของเราก็จะไม่ถูกผลักออกไปจากกลุ่มชนผู้กระทำความผิด。 ي ي ي ي โดยแน่นอนในเรื่องราวของพวกเขาเป็นบทเรียนสาหรับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่ถูกปั้นแต่งขึ้นแต่ว่าเป็นการยืนยันความจริงที่อยู่ต่อหน้าเขาและเป็นการแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา